สารแพง่งของท่านติดนิ่งติดเฉยติดละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยภาษามันจริงๆเขาเรียกว่าติดดีภาษาของของการปฏิบัติติดดีติดดีติด ด, ดีก็ยึดนะติดอีกฝั่งนึ่ง ของท่านเนี่ยมันมันมันติดปัญหาคุอติดดีถ้ามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเช่นลาคะหรือโทสะหรือว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมามาปอดเลยว่าไอ้เกิดอยนี้ได้ยงไงนี่อารมณ์ไม่ดีนี่มันเสิ่ขึ้นฝ่ายกุศลอะไรเงี้ยทำไมทําไมถึงเกิดอารมณ์อาค่ายกับว่าท่านเนี่ยจะมีการรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดี การที่มีอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีใครอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าในใจท่านน่ะมันมีสองฝั่งอยู่ตลอดเวลาคือว่าการไม่มีอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีผมจะเป็นขนาดเดียวกันนะไม่ใช่คนละขนาดเลยมันจะเป็นขนาดเดียวกันเลยคือว่าการที่การที่มีอารมณ์แล้วมันมีกับมีอารมณ์แล้วก็มันก็ทําไมมันจะมีอารมณ์ตกค้างทําไมมันยังมีอารมณ์ตกค้างมันมีแล้วทําไมไม่หายไปการที่ท่านมีเขารู้สึกว่า ก<บ>ารมีอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะมันมีความมีอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งไม่ถูกต้องการมีอารมณ์นี่เป็นสิ่งไม่ดีมีอารมณ์อย่างเงี้ยไม่ดีทำไมจะมีอารมณ์อย่างนี้ได้แล้วต้องพยายามทําให้มันไม่มีอารมณ์อย <enza graffiti out> ่างเงี้ยอย่างเงี้ยการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะไม่คนทุกข์ผมก็เคยเป็นผมก็เคยเป็นเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าติดดีติดดีถ้าอย่างเนี้ยมันจะ ผักใสตลอดเลยมันจะไม่ไม่ไม่สิ้นการผักใสเลยไม่เลิกลาเลยเพราะว่ามันจะต้องจัดการทุกวิธีทางหาวิธีทุกพิธีทางเลยที่จะทำให้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะต้องไม่มีมันจะต้องไม่เกิดมันจะต้องไม่เป็นมีแล้วมันจะต้องหายเร็วมีแล้วมันจะต้องไม่ไม่ตกค้างถ้าเราไปไปคิดแบบนี้ โอโหเราไม่เลิกไม่เลิกยุ่งวุ่นวายกับจิตเลยเราไม่เล่ายุ่งุ่นวายจิตภาษาเขาเรียกว่ายึดถือยึดถือความจริงเนี่ยจิตที่มีอารมณ์จิตที่มีอารมณ์ ม, ม, มันก็คือจิตใจร่างกายแล้วก็จิตใจชีวิตประกอบไปได้วสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจร่างกายก็เป็นสังขารร่างกายก็เป็นสังขารปรุงแต่ง ที่เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ต้องเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นอยู่เบื้องต้นมีความเสื่อมไปตลอดเวลามีความดับไปมีความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเสยพ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่า ก, กังวลว่าร่างกายที่สุดร่างกายจิตใจตอนนี้พูดถึงจิตใจร่างกายก็คือรูปจิตใจก็คือเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางกไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สัญญาความจําความจำเนี่ยเราจะจําเฉพาะที่เป็นกุศลไม่ได้ความจําเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็ต้องจําทุกอย่างจําคนที่ชมเชยจําคนที่ด่าว่าเราจําอารมณ์ที่ดีจำอารมณ์ที่ไม่ดีจําเรื่องที่ดีจําเรื่องที่ไม่ดีมันจะจําทุกอย่างเลยเราจะเลือกให้มันจำแต่สิ่งที่ดีแต่ถูกใจก็ไม่ได้ สังขารความคิดนึกตึกตอนปรงแต่งและอารมณ์ต่างๆเราจะเลือกให้คิดนึกตึกตอนปรงแต่งและมีอารมณ์ในทางที่ดีอย่างเดียวเป็นกุศลอย่างเดียวเป็นความว่างอย่างเดียวเป็นความที่เบิกบานใจของแพร่อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็คิดเขาก็มีอารมณ์ ทุกอย่างดีชั่วสุขทุกบุญบาปกุศลนะกุศลเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาหมดเลยทุกอย่างแต่เขาก็เป็นจิตใจอจิตใจวิญญาณที่มีความรู้สึกรับรู้ในแต่ละขณะจิตรับรู้ความรู้สึกรับรู้ความนึกรับรู้ความคิดรับรู้อารมณ์ต่างๆนั่นเองไง ก็เป็นสังขากรุงแต่งเพราะว่าวิญญาณนี้จะเกิดมาได้ต่อเมื่อมีรูปมากระทบตาจึงจะเกิดจกักษุวิญญาณเสียงมากระทบหูจึงจะเกิดโสตวิญญาณกินมากระทบจมูกจึงจะเกิดขานะวิญญาณรถมากระทบกับลิ้ น, นจะเกิดจิวหาวิญญาณสิ่งมีสิ่งมาถูกต้องกับประสาทกายที่จะเกิดกายวิญญาณใจจะต้อง เกิดความรู้สึกเกิดความนึกความคิดความตึกความตองอารมณ์ใดๆจึงจะเกิดมโนวิ ญ, ญญาณมารับรู้ทำอารมณ์นั้นแลง้นวิ ญ, ญญาณเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมาเองมันจะเกิดขึ้นมาตามทวารทั้งหทวารทั้งหกดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณขันห้าหรือร่างกายจิตใจจึงเป็นสังขารปรุงแต่งเต็มทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแต่ง สังขารกรุงแต่งทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแต่ควรเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางดับไปในที่สุดทุกขรังคือต้องมีสุขบ้างมีทุกบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดเวลาไม่สามารถจะบังคับให้เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวได้ แม้แต่สุขก็ไม่อาจจะทนอยู่สภาพเดียวได้ทุกก็ไม่อาจจะทนอยู่สภาพเดียวได้สังขารทั้งหลายไม่อาจจะทนอยู่สภาพดานอย่างเดียวได้ต้องมีความดับไปมีความเสื่อมไปมีความดับไปในที่สุดไม่มีใครจะเข้าไปบังคับให้เป็นอยู่หน้าเดียวได้อย่างนั้นตลอดไปอนัตตาอนัตตาคือไม่สามารถที่จะเข้าไปบังคับได้ไม่สามารถเข้าไป คอนโทนให้เขาเป็นไปอย่างไรดังใจอยากได้อย่างในสภาวะอย่างเดียวคือต้้งแต่รูปว่ารูปนี้จงมีสภาพเป็นอย่างนี้อย่างเดียวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าเสื่อมอย่าป่วยไข้อย่าทุกข์ทรมานเวทนาให้มีแต่ความรู้สึกเป็นสุขอย่างเดียวอย่ามีความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้ สัญญาให้คิดให้จำสัญญาคือให้จำจำแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ถูกใจอย่าจำอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกใจอย่าจำสังขารความคิดและตึกตอมพงแต่งและอารมณ์ไม่มีแต่อารมณ์ที่ดีๆอย่างเดียวมีแต่ความผ่องแพ้วของสใยที่ไม่ดีที่ทึบที่อัดที่ตื้อที่มีอารมณ์ต่างๆอย่ามีก็เป็นไปไม่ได้เขาจึงเป็นอนัตตาวิญญาณวิญญาณจะเกิดมารับรู้แต่สิ่งที่ดี รับรู้รูปที่ดีรับรู้เสียงที่ดีรับรู้กลิ่นที่ดีรับรู้รสที่ดีรับรู้แต่สิ่งที่มาสัมผัสที่ดีๆรับรู้ทำอารมณ์ที่ดีๆที่ถูกใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้วิญญาณต้องเกิดมารับรู้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกแนวคิดและอารมณ์ต้องรับรู้หมดจะเลือกรับรู้ก็ไม่ได้ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นสังสารปรุงแต่ง สังขารปรงแต่งร่างกายขันห้าหรือร่างกายจิตใจเป็นสังขารปรงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมีความแก่ความเจ็บเปลียนตายในที่สุดไม่มีผู้ใดเข้าไปยึดถือ บ, บังคับของเขาให้เขาเป็นไปอย่างไรอย่างใจอยากในสภาพเดียวได้เขาก็ต้องสลับจะเปลี่ยนบนเวียนไปอย่างนั้นร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่รู้สึก ถึงสิ่งเหล an, ่านั้นก็เป็นสังขารประต่งไว้ด้วยกันหรือเป็นร่างกายจิตใจหรือเป็นโลกไว้ด้วยกันไม่มีผู้เขา้าไปยึดถือสังขารประต่งเหล่านั้นไม่มีผู้เข้าไปยึดถือโลกเหล่านั้นสิ่งใดที่กระเพื่มตัวได้สิ่งใดที่รู้สึกได้สิ่งใดที่รับรู้ได้สิ่งใดที่ไหวตัวได้ สิ่งใดที่หวันไหวได้สิ่งใดที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตอนที่พุงแต่งที่มีอารมณ์ได้สิ่งใดที่สัมผัสได้สิ่งนั้นเรียกว่าโลกถ้าไม่ติดโลกไม่ไปเข้าไปหลงยึดถือโลกว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเราหรือเราเป็นโลกนั้นเราเป็นสิ่งที่กระเพื่อมนั้นเราเป็นสิ่งที่ปรากฏนั้นเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เราไปสิ่งที่เกิดดับนั้นไม่เข้าไปลงยึดถือสิ่งที่สัมผัสได้รู้สึกได้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะถึงธรรมไม่ติดโลกก็ถึงธรรมไม่ติดสังขารมุงแต่งก็ถึงธรรมเองนิพพานเท่านั้นที่เป็นวิสังขารร่างกายจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รวมทั้งอารมณ์ที่ท่านบอกว่าหมุดกิจแล้วเกินทำไมผมนี่เกิดอารมณ์อย่างนี้ได้อารมณ์จิงตกค้างได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสองขานเป็นโลกโลกเขาเป็นอย่างงั้นแหละถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือโลกไม่เข้าไปยึดถือถือสาให้ค่าความสาคัญหรือยึดถืออย่างใดต่อโลกนั้นก็เป็นธรรมเองอัตโนมัติ สิ่งใดที่รู้สึกได้สิ่งใดที่กระเพื่อมสิ่งใดที่ไหวตัวได้สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งใดที่เกิดดับได้สิ่งใดที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตองรวมทั้งผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปรุงแต่งผู้มีอารมณ์นั้นและผู้ที่รับรู้โลกนั่นเองก็เป็นสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเซ่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลว่าร่างกายอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสิ่งที่รับรู้ได้สิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไว้ตัวได้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจรวมทั้งผู้ที่คิดผู้ที่นึกผู้ที่ตึกผู้ที่ตรองและผู้ที่เข้าไปรับรู้สังขารกรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสังขารกรุงแต่งด้วยการเสียทั้งสิ้นเป็นโลกไปเสียทั้งหมดยกให้โลกเขาไป เป็นโลกเราจะได้วยกันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเราจะเข้าไปลงยึดถือโลกหรือสังขารปรุงแต่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆหรือธรรมอารมณ์ต่างๆที่ถูกรับรู้ได้ที่ถูกลับรือได้ที่ถูกรู้สึกได้ที่สัมผัสได้รวมทั้งผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น ผู้รู้สึกนั้นรวมทั้งผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอบผู้ปงแต่งผู้มีอารมณ์ล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งไปด้วยกันหรือเป็นโลกเมื่อไหร่มีความรู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้รับรู้เราเป็นผู้เสวยอาการเหล่านั้นเราเป็นผู้มีอาการเหล่านั้นเราเป็นผู้เป็นอาการเหล่านั้นหรืออาการเหล่านั้นเป็นเป็นของของเรา หรืออาการเหล่านั้นมันยังติดอยู่ในใจเรามันค้างคาอยู่ในใจเรามันก็เท่ากับมีเรามีตัวเรามีของเราหรือมีเราเข้าไปเสวยอาการเหล่านั้นมีเราเข้าไปลองรับผลของอารมณ์เหล่านั้นยังมีเราเข้าไปลองรับผลของอารมณ์เหล่านั้นไม่มีแต่อาการเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตามธรรมชาติสังขารปรุงแต่งของเขาอย่างนั้นเองที่เป็นไปอย่างนั้นเองที่ต้องให้จับความรู้สึกได้ให้รับรู้ได้ให้กระเพิ่มได้ให้ไหวตัวได้ให้แสดงปฏิรยาเกิดขึ้นและดับไปได้มีแต่อาการหรือปฏิยาที่เกิดขึ้นมาในใจหรือมีแต่ความคิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์เพียงชั้นเดียวที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปหายไป รวมทั้งเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปเสวยความรู้สึกนึกิดอารมณ์นั้นคือมีความรู้สึกว่าเราอึดอัดเราไม่สบายเรามีราคะเรามีโทสะเรามีโมหะหงุดหงิดผงชาลำคาญใจเบื่อเซ็งกุ้มวิตกกงังวลว่าเรามีเราเป็น หรือไปมีความรู้สึกว่าราะโทสะโมหะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรงแต่งหรือคำหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเบื่อเสียงขู่มิตกกังวลหดหูต่างๆท้อแท้ต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นตัวเราอย่างนี้ก็จะมีผู้เสเรวจจำเลยถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ยกให้ความรู้สึกนี้เป็นโลกไป เหตสังขารปรุงแต่งไปในขณะจิตนั้ น, น, นโดยมีสติปัญญาเห็นในขณะที่กระทบทันทีสัมผัสทันทีมีสติปัญญารู้หรือเห็นและเข้าใจด้วยใจไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดเอาแต่เข้าใจด้วยใจจริงๆรู้สึกอย่างนั้นใน ใ, นใจครั้งแรกๆยังไม่สามารถจะเข้าใจด้วยใจได้จะต้องโยนิโสมนานสิการคือรู้สึกอย่างนั้นไว้ในใจว่า สิ่งใดก็ตามถ <t Wesley an> ้าร the ู้สึกขึ้นมาในใจรับรู้ขึ้นมาในใจกระเพื่อมขึ้นมาในใจคิดนึกติดตองปรุงแต่งขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่างไม่ว่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ในฝ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นปุศนหรืออกุศลไม่ว่าจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วที่ปรากฏขึ้นมาในใจที่รู้สึกขึ้นมาในใจ หรือแม้แต่ความรู้สึกตัวในแต่ละขณะจิตนั้นๆที่ปรากฏขึ้นมาแวบคือมาในใจในนั้นรับรู้ในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบันเมื่อรับรู้พร้อมกับมีสติปัญญารู้สึกอย่างนั้นไว้ในใจทุกขณะจิตว่าเป็นสิ่งเหล่านั้นที่รับรู้นั้นที่รู้สึกได้นั้นรวมทั้งผู้ที่ รับรู้นั้นผู้ที่รู้สึกนั้นผู้ที่คิดผู้ที่นึกผู้ที่ติกผู้ที่ตอบผู้ที่มีอารมณ์ปรุงแต่งนั้นรวมทั้งความรู้สึกว่างไม่ว่างเบาไม่เบาสบายไม่สบายความรู้สึกนิ่งความรู้สึกสงบความรู้สึกใจใสใจสบายความรู้สึกว่ามีอารมณ์ราคะโทสะโมหะความรู้สึกกุญบิดําคาญใจไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือฝ่ายอกุศลหรือเป็นกลางกสติปัญญา กำกับทันทีเรียวก็มีสติสัมปชัญญะหรือมีปัญญาสติปัญญากำกับทันทีเลยในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันที่สามารถสัมผัสได้รับรู้ได้รู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบดวงตาหูจมูกลิ้นกายใจคือปรากฏขึ้นมาในใจรับรู้ขึ้นมาในใจมีอารมณ์ขึ้นมาในใจไหวตัวขึ้นมาในใจแล้วก็มีสติสัมปชัญญะหรือมีสติปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารปรุงแต่งเสียทั้งสิ้น รสรุปแล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดรวมทั้งผู้รู้ทั้งหมดร้วนเป็นสังขารปรงแต่งทุกขณะจิตเป็นสังขารปรงแต่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เสื่อมสลายดับไปตามเหตุตามปัจจั ย, ม ย, ไ, มมจจยไม่มีสิ่งใดที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ผักให้เป็นภาระของโล ก, กไปหมดผักให้เป็นโลกไปหมดไม่มีผู้ไปเสวยซ่อน อีกชั้นหนึ่งมีชั้นเดียวมีชั้นเดียวจริงๆอยู่ทุกขณะปัจจุบันภายในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นชั้นเดียวภายในใจทุกขณะปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปเป็นสังขาตรตุงแต่งไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราและไม่ใช่เราเป็นสังขาตรตุงแต่งนั้น ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ล้วนเป็นสังขารผงแตกไปด้วยกันไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ถูกรู้และไม่ใช่เราเป็นผู้รู้และไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้หรือผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือไม่เผลอสติเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวเมื่อรับรู้หรือรู้สึกอะไรขึ้นมาทั้งใจว่าสิ่งที่ถูกรู้ หรือสิงที่สัมผัสได้หรือรู้สึกได้ทางใจทุกขณะจิตนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งหรือเป็นโลกที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปมีแล้วหายไปไม่มีผู้ใดที่จะเข้าไปบังคับเอาให้เป็นไปอย่างเดียวได้ให้มีแต่สิ่งที่ดีๆมีสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้ไม่เข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราและไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่ใช่ว่า เราเป็นราคะไม่ใช่เราเป็นโทสะไม่ใช่เราเป็นโมหะไม่ใช่เราหงุดหงิดไม่ใช่เราฟุ้งซ่านไม่ใช่เราลำคาญใจไม่ใช่เราเป็นผู้มีความวิตกกังวลไม่ใช่เราเป็นผู้มีความเบื่อแสงกุ้มแต่เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นเรื่องของโลกโลกเขาเป็นอย่างนี้เองโลกเขาย่อมเป็นอย่างนี้สังขารปรุงแต่งทั้งหลายเขาย่อมเป็นอย่างนี้ย่อมปรุงแต่งทั้งในฝ่ายที่ดีและฝ่ายที่ชั่วฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศล ฝ่าที่เป็นบุญและฝ่าที่เป็นบาปไม่ได้ปรุงแต่งฝ่าที่เป็นกุศลอย่างเดียวไม่ได้ปรุงแต่งฝ่าที่เป็นบุญอย่างเดียวไม่ได้ปรุงแต่งฝ่าที่เป็นสุขอย่างเดียวเขาก็ปรุงแต่งฝ่าที่เป็นบาปด้วยปรุงแต่งฝ่าที่เป็นอกุศลด้วยปรุงแต่งฝ่าที่เป็นทุกข์ด้วยเขาปรุงแต่งอย่างนี้เองแล้วก็ธรรมชาติเขาปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุการปัจจัยไม่ใช่เราเป็นผู้ปรุงแต่งเขาปรุงแต่งขึ้นมา แม้แต่มีเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ความรู้สึกที่เราผู้ปรุงแต่งก็คือเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาหาเช่นเป็นเราจริงๆไม่แต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นผู้ปรุงแต่งหรืออาการเหล่านั้นสิทธิศัถูกรับรู้เหล่านั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราหรือผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเรารู้หรือผู้รู้เหล่านั้นเป็นเราเป็นของของเราที่พูดมายอดยาวทั้งหมดนี้ก็ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ท, าทํำยังไงท่านก็หนปัจจุบันท่านจึงจะเห็นว่าร่างกายและจิตใจของท่านทั้งหมดสิ่งใดก็ตามที่ท่านรู้สึกได้ที่ท่านกาลังคิดได้ที่ท่านมีความรู้ตัวอยู่ทุกขณะปัจจุบนันนี้เป็นสังขารกรงแต่งเป็นโลกเดียทั้งหมดเพราะทําไม่อาจถูกลับรู้ได้ไม่มีการกับเพื่อไม่มีการไหวตัวไม่มีการปรากฏตัว แต่เมื่อไรที่เราไม่ติดสิ่งที่รับรู้ได้เราไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายสิ่งที่ถูกรับรู้ได้สิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไหวตัวได้สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราขณะปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏต่อใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นถ้าเราไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอย่างใดๆเพราะเห็นว่าสิ่งไรก็ตามที่มันรับรู้ได้ที่รู้สึกได้ที่กระเพื่อมที่ไหวตัวได้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตารวมทั้งปรากฏแก่ใจ แตะที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานั่งอยู่เป็นตัวเราดูเรารู้อยู่สิ่งนี้เป็นโลกทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแตง่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นโลกปเปเดีทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยแต่ถ้าไม่ติดเหล่านี้เมื่อไหร่ไม่ติดสังขารปรุงแตง่งไม่ติดโลกเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมก็อเองอัตโนมัติเพราะธรรมไม่สามารถแสวงหาได้ธรรมไม่อาจแสวงหาได้ไม่อาจที่จะรับรู้ได้ไม่อาจจะเข้าไปค้นหาได้ด้วยทีคิดนึกหรือดิ้นรนค้นหา ทุกครั้งที่เราลงมือดิ้นหลนค้นหาดิ้นหลนค้นหาธรรมหรือดิ้นหลนค้นหาผู้รู้มันก็เป็นสิ่งที่กระเพื่อมเป็นสิ่งที่ไหวตัวขึ้นมาทันทีมันก็เลยกลายเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นโลกไม่เป็นธรรมอีกถ้ายังดิน้นใจยังดิ้นหรนค้นหาธรรมอยากแก้ววบรรลุธรรมหาวิธีที่จะบรรลุธรรมอยากที่จะบรรลุธรรมมีการการะ ท, ทําทางใจกล่วมวิธีทางใจทุกวิธีทางใจเพื่อกระเพื่อมขึ้นมาเสี้ยวินาทีที่กระเพื่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมา ปรากฏขึ้นมามันก็เป็นโลกเสีอีกเป็นสังกาบพงแต่งเี้อีกเพราะสิ่งใดก็เพิ่มได้ไหวตัวได้ถูกรับรู้ได้ถูกรู้สึกได้ปรากฏได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นโลกเดทั้งหมดมันก็ไม่มีโอกาสเป็นธรรมเพราะธรรมย่อไม่ปรากฏสิ่งใดเลยเราจึงไม่สามารถไปหาผู้รู้ได้และไม่ไปหาทําได้เพราะผู้รู้ธรรมนั้นไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏที่อยู่ไม่ปรากฏการก่อเพื่มตัวไม่ปรากฏการไหวตัวอย่างใดๆ เพียงแต่เราไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปติดโลกไม่เข้าไปติดสังขารพวงแต่งทุกขณะติดทุกขณะปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราก็เป็นธรรมโดอัตโนมัติแต่วิธีการปฏิบัติไม่ใช่ท่องเอาเหมือนที่เขาท่องกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเท่งนั้นแหละยึดถือไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเท่านั้นแหละยึดถือไม่ได้แม้แต่พูดอย่างนี้นานเท่าไหร่ ก็จะไม่เห็นทำเพราะเขาไม่สามารถจะบอกตนเองไใ้ทุกขณะจิตว่าสิ่งที่เขารับรู้ได้ภายในใจที่เกิดขึ้นภายในใจที่ปรากฏขึ้นมาในใจรวมทั้งที่เขามีความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ว่าเขาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นในขณะปัจจุบันนี้เขาเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นโลกเดยท вот ั้งหมดแล้วเขารู้ด้วยว่าเ น, นี่ยเป็นโลกทั้งหมดแล้วเขารู้ด้วยว่าเขาไม่ได้ติดโลกเลยเพราะยกใค่เป็นโลกทั้งหมดยกเป็นสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งไปเลยทั้งหมด เขาไม่ได้เข้าไปติดโลกไม่เข้าไปติดสังขารปรุงแต่งเลยเพราะมันมีแต่สังขารปรุงแต่งเท่านั้นเองทําไม่มีผู้รู้ไม่มีไม่ปรากฏทําก็ไม่ปรากฏไม่มีตัวตนผู้ปรากฏทําเลยไม่มีไม่มีตัวตนผู้รู้และทํานั้นไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏดุจละไม่ปรากฏที่อยู่ไม่ปรากฏการกับเพื่อไม่ปรากฏการไหวตัวใดๆให้จับความรู้สึกได้ให้รับรู้ได้ดังนั้นโอกาสที่จะไปค้นหาผู้รู้ค้นหาทำนั้นจึงไม่มีทางเพราะว่าถ้าลงมือค้นหาดิ้นรนค้นหามันก็ กลายเป็นโรคไปทั้งหมดเป็นสังขารประดับไปทั้งหมดเขาก็สามารถบอกตัวเขาเองได้ตลอดเวลาว่านี่ไงมีแต่สังขารประดับมีแต่สังขารประดับหรือมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนดับไปมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงแปลควนเปลี่ยนแปลงไปดับไปมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆใจมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆใจฉันมีความรู้สึกจริงๆว่าทุกอย่างร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ว่าจะดีไม่ดีเป็นบุญเป็นบาปเป็น มีอาการอย่างไรมันเป็นจริงได้จริงหนึ่งจริงๆเพียงแต่ว่าเป็นจริงได้จริงหนึ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น่็มีความดับไปสิ่งได้จริงหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีความดับไปเห็นมีแต่อย่างนี้จริงๆนอกจากนี้แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปหาธรรมไม่ต้องไปเห็นธรรมไม่ต้องไปเห็นผู้รู้ให้เห็นแต่ว่ามีแต่สิ่งได้จริงหนึ่งที่ท่านรับรู้ได้ที่รู้สึกได้ที่กระเพื่อมได้ที่ไหวตัวได้ที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตองที่พงแต่งที่มีอารมณ์ต่าาางๆอกรต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปที่เปลี่ยนแปลงไปที่เสื่อมไปสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสได้รับรู้ได้รู้สึกได้เห็นมีแต่สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ย่อมเสื่อมไปสิ้นไปดับไปอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่อย่างนี้เท่านั้นเลยผู้ยึดถือไม่มีผู้เข้าไปเสวยสิ่งใดไม่มีมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนดับไปเพียวๆไม่มีผู้เข้าไปเสวยสิ่งเหล่านั้นเลยไม่มีผู้เข้าไปลองรับลองอาการอย่างนั้นเลยต่อให้ ว่างเบาที่สุดสว่างแจ่มทสุดก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้เข้าไปเสวยไปรองรับอาการเหล่านั้นหรืออาการเหล่านั้นเป็นของเราว่าโอ้โหสว่างมากเราสุขจริงๆเราสว่างจริงๆเราใส่ใจเราใส่ใจเราสบายจริงๆก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้เข้าไปเสวยเข้าไปรองรับอาการเหล่านั้นเลยมีแต่อาการใดอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาการเหล่านั้นก็ดับไปแต่หลวงปู่ดุลได้กล่าวว่ามีแต่พฤติแห่งจิตเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มีแต่สังขารปุงแต่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนอกจากนี้แล้วไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ไปรองรับสังขาร น, นั้นเลยมีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปหาผู้รองรับไม่มีหาผู้เสวยไม่มีสหมือนดังที่ลุงปูร่าเขมาร์ปโตผู้เจ้าก่อได้กล่าวว่าเราเห็นมีผู้เขียนหนังสือและได้กล่าวกันไว้มากมายว่าลุงปู่มั่นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้เราจะไม่เคยเห็นใครเนี่ย ที่เขียนหนังสือหรือพูดอันเป็นที่สุดของลองปู่มั่นเลยวันที่ลองปู่มั่นจะดับขาดนั้นลองปู่มั่นได้พูดกับเราว่าได้พูดอันเป็นที่สุดกับเราซึ่งเราเห็นว่าอันเนี้ยเนี่ยเป็นที่สุดจริงๆคือท่านลาท่านจาไว้เลยว่าถ้าผู้ใดยังมีความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปเสวยอะไรถ้ายังมีความรู้สึกว่ามีผู้เสวยสิ่งใด สเสวยอาการใดสเวสวยสภาวะทำอันใดยังมีความรู้สึกว่ามีผู้สเสวยอันนั้นไม่ใช่ทางนั้นเพราะอันนั้นเป็นสังขารประดับเป็นโลกเสี๋ยวทั้งหมดหาใช้ธรรมที่แก้จริงัหมเพราะทํานั้นไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดไปสเสวยเลยถ้ามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มีเราเป็นผู้สเสวยทำเราถึงทำเรารูแ้แจ้งในธรรมเราบรรลุธรรมถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นโลกทันทีเป็นสังขารปรแต่ s, งทันทีหาได้เป็นธรรมไม่เพราะธรรมจะไม่มีผู้เสวย นี่เป็นความสิ้นสุดจริงๆเพราะมีแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปจริงๆไม่มีผู้ที่รู้สึกว่ามีเราก็าไปลองรับอาการเหล่านั้นหรือลองรับสภาวะธรรมใดๆเลยมีแต่สภาวะธรรมที่ปรากฏและสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปดับไปมีแต่สภาวะธรรมที่ปรากฏล้วนๆแม้แต่ที่สุดนั่นคือพันิพานยังเป็นอนัตตาเลย พันิพานนั้นก็ยังเป็นอนัตตาเลยอย่าว่าแต่สังขารทั้งหลายเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรือเที่ยงเสีพ้นอนัตตาไม่ใช่ตอนอย่า ก, กังวลว่าร่างกายน้ลัมปูธาจารุทธโมท่านได้กล่าวอยู่เป็นประจำทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นสังขารเสียทั้งสิ้นมีอันเดียวที่ไม่ใช่สังขารคือพันิพานแต่พันิพานนั้นแม้แต่ไม่เป็นสังขารก็ไม่อาจจิตมั่นถือมั่นได้ นิพพานนั não não os, nós, não, não nós, nós, ่นเองก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ใช่เป็นนิพพานของเรานิพพานนั้นเป็นอนัตตานิพพานนั้นก็ยังเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นนิพพานหรือนิพพานนั้นเป็นเป็นของของเรานิพพานจึงยังเป็นอนัตตาจึงไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นได้สมดังพุทธพจน์ที่ว่า สเพสังขารานิจ <üman> ่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเปสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องเสื่อมไปดับไปจะหลายไปสเพทำมานาตาทำมันเป็นที่สุดนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปหลงยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ว่าดี หรือไม่ดีก็ยึดถือไม่ได้แม้ตัวเราผู้เข้าไปยึดถือก็ยังยึดถือไม่ได้ตัวเราที่มีความรู้สึกว่าเข้าไปยึดถือความดีนั้นไว้ไม่ต้องการให้ความไม่ดีเข้ามาค้างอยู่ในใจตัวเราผู้ที่ยึดถือต้องการไม่มีแต่ความดีไว้ไม่ต้องการให้ความไม่ดีเข้ามาค้างในใจตัวเราเ็าเป็นในจังทุกครั้งอนัตตาไม่อาจยึดถือได้ไม่อาจเข้าไปยึดถือสิ่งใดได้ เพราะเขาเองก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปด้กัน